ไม่ต้องส่งจิตมาจำไม่ต้องจำมาคำเทศท่านจะเทศเรื่องอะไรไม่ต้องทำความสงบทำให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยความสงบเนี่ยเหมือนกับเราขุดบ่อขุดบ่อรอน้ําฝนนะขุดบ่อไว้พอเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยน้าฝนก็จะไหลลงมาในบ่อของเราเหมือนกับธรรมะเนี่ย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 แล้วกำกลับเข้าไปกับลมหายใจด้วยหายใจเข้าพุทธออกโทไม่ต้องเกง่งพุทธโทธรรมโมสังโคสักสามรอบแล้วก็เอาพุทธโทอย่างเดียวทำไปให้จิตสติกับพุทโทให้มันแนบแน่นด้วยกันฝึก ท, ทำไปอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปกำหนดว่าต้องเป็นสมาธิทีเดียวไม่ต้องขอให้มีสติทาอย่างนี้ก็แล้วกันทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวธรรมะก็จะ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 อ่ะไปก็ไปเราก็บอกอ่อแล้วพระก็อยู่ป่าอยู่เขาแล้วมันจะไปกินอะไรลนะออืท่านก็บอกเราก็ไปวัดครูบาอาจารย์ไปวัดแรกเลยวัดไขวัดของลอยปุ๋ยอาจารย์ไพลโรดอ่าที่ทางเชียงใหม่ลอยปุ๋ยเคยไปไหมอยู่ตำหนักอ่าทางภูพิงขึ้นไปข้างบนนู้นบัณฑแม้วเราก็ไปไปกราบศพหลวงปู่แหวนก่อนปีสองพันหนึร้อยี่แปด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 ก็ น, นั่งคุยกับพระที่บทด้วยกันเนี่แหละว่าเดี๋ยวออกพรรษาจะสึกแล้วก <c ười> ็ <c ười> คุยกันอย่างนี้เนี่ยอย่างท่านทํางานอะไรเหลอมีแฟนหรือยังก็คุยกันอย่างนี้จริงๆรงโยมไม่อาโยมเรื่องจริงๆเนี่ยเหมือนผมมีแฟนแล้วเดี๋ยวผมสึกไปแล้วก็ว่าไปตามเรื่องของพระหนุม่มเนี่ยน้อยโยมเชื่อไหมว่าปกติลุงปู่เนี่ยเราบินทาบาบเสร็จกลับมาแล้วเนี่ยจัดอาหารใส่ถาดก็ประมาณสัก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 แต่แฟนี่รู้จักกันตั้งแต่ยุคสิบสามนะสิบาบ้านอยู่ทังสิตเนี่ยหลังโรงงานกุเทียฝั่งนู้นนะบ้านเขาอยู่ฝั่งนู้นเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยขึ้นไปทงเหนือกันในระหว่างที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยโยมใช่ไหมว่ามันยุติการคิดแบบลกโลกมันลืมไปหมดนะเรื่องการคิดแบบลกโลกเนี่ยมันหยุดแต่มันหยุดด้วยสมาธิ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 พอดีคนคนหน้าวัดป่าปุริทัศน์เนี่ยไปทํางานที่โรงงานเดียวกันกันกบหน้าเขาก็เลยรู้เลยว่าเรามาอยู่ที่วัดป่าปุริทัศน์อแล้วก็ไม่เคยมานะโยมไม่เคยมาเลยพอจิตเสริมวันนั้นมาเลยโยมเชื่อไหมว่ามัาทรมานขนาดไหนว่าพอเห็นหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเหล็กแหลมแหลมะมาทิ่มเข้าไปในหัวใจว่ามันทรมานใหญ่เป็นได้ใช่ไหม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 ปีสองพันห้าร้อยสาสิบห้าเนี่ยพระเยอะงั้นผมขอไปจำพรสารที่สามบุรุ่กันแล้วกันไปแต่นี่ก่อนที่จะไปสามบุรุเนี่ยเดิมทีเดียวมันลำบากอยู่แล้วแล้วมันทรมานอยู่แล้วไปทางจันทบุรีก่อนก่อนนั้นไปวัดยางละหงที่อำเภ อ, อเขาระใยสีท่าใหม่โยมรู้จักไหมเสร็จแล้วก็ไปวัดอาจารย์ฟักวัดวัดเขาน้อยสามผาน ไปแล้วไปดูมันก็ไม่น่าอยู่ออกเสร็จแล้วก็ไปวัดวัดธรรมสถิตวัดท่านจำชินไปดูแล้วก็ไม่น่าอยู่ก็เลยขึ้นไปด่อยนะก่อนที่จะไปสามัทถุเนี่ยไปดูทางนี้ก่อนแต่ขึ้นไปตั้งแต่ปีสองพันหนรอยิบเก้านะใกล้ๆข้ารันาแล้วกลับไม่ได้จำภรษาตอนนั้นออเสร็จแล้วเราก็เลยเลยของปูะไปจำภาษาสามัทถุก็ไป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 กระูก้อนใหญ่ๆเก็บไว้ไปเก็บตามห้องน้ำเอามาแปะกันบางๆแปะแปะแปะแล้วขยี้เอาแบบนั้นใช้ยาทีฟันไปหาหลอดเก่าๆที่ก็ทิ้งมาบีบใช้เใหม่ๆไม่เอาทุกอย่างเนี่ยเก่าหมดเลยเสร็จแล้วก็เจีวยวเนี่ยข่มซ้อนทุกวันนุ่งสงมงข่มชจีวรซ้อนสังคาติบินรบาต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 สามสิบห้าสองแปดสองเก้าสามสิบสามสิสมสองปีสามสองสามห้าสร้างศาลาสามสองปีสองพันร้อยสามสิบสอง่าจำผิดเมื่อกี้เนี่ยสามห้าไม่ใช่ไม่ออกสามห้าออกส2มสองเสร็จเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยภาวนาทิ้งทวนพรุ่งนี้เช้าออกบรรษาสึกแน่นอนเตรียมแล้วนะ เ, เตรียม <c oughs>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 ผมนอนถ้าผมไม่เอาทิ้งทวนเลยเนี่ยผมจีวรเหมือนเดิมเหมือนกับเราหม่มเฉวยงบาเสร็จแล้วก็นอนอกุฏิหลังนี้เรามาจําพรรษาเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วดอกไม้เหล่าเนี้ยมันขึ้นมาได้ยังไงเราก็เออมองดูสักเดี๋ยวหนึ่งภาพแล้วก็ดับปึ๊บเราก็ยังนอนอยู่นะนอน แล้วภาพมันหายไปไหนกิตวิตกขึ้นมาว่าสงสัยเทวดาจะดีใจล่มัง้งเรามาจำสาให้เขาที่นี่เท่านั้นเองโยมปัญญาเนี่ยมันหมุนติ้วติติ้วติ้ตวเร็วยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงความรู้มันเกิดขึ้นเขาเรียกปัญญายานตัวนี้มันรู้ถอยหลังไปไกลมากรู้เดินหน้าไปไกลมาก นึกถึงใครเลยไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าคืนตัดสรู้อ่ะที่ใต้ต้นพระสีมหมาโผนึกถึงตรงนั้นเลยว่าอาสวัคยายานะเกิดขึ้นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยนี่คือวันนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงเทศธรรมจักเพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยท่านเป็นพระหรหันพราะเทศอนัตตระคาราสวูวดพอเราคิดว่าทําไมอย่างเนี้ย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 คำว่าดวงใช้ไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมไม่มีนี้บังเอิญไม่มีบังเอิญไม่มีนะในโลกเนี้โชคดีไม่มีโชคร้ายไม่มีมันเป็นเหตุที่เราทําไว้แล้วก็ส่งผลอย่างเนี้จริงๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นครูบาอาจารย์ทำบุญไม่ทําบุญมิเหตุเหตุตุปัตยโย